วิถีทางที่ไม่มีวิธีกาบนรรมส ก, การพระคุณเจ้าสมเนรคุณไม่ชี้กะไร ล, ละเมร ท, ทุกท่านนั่งสบายสบายเนาะก็วันนี้เป็นวันเสาร์เมื่อคืนเป็นวันสําคัญอย่างหนึ่งของศาสนาเราก็ก็คุณคิดว่ายกยอดมาวันนี้เดี๋ยวเมื่อคืนก็พูดวันนี้ก็พูดเนาะพูดมากเกินไปมันเฟอ้อ มาข้าบูชาไม่ต้องพูดทุกคนเข้าใจแล้วเป็นวันสําคัญแบบไหนนะเพียงแต่ว่าพวกครูเน้นเรื่องแก่นพุทธศาสนาที่ท่านสอนแค่มีหลักการสามอุดมการสี่วิธีการหกที่เน้นเรื่องนี้บ่อยๆจะให้และพวกเราไม่สับสนเพราะเรื่องจิตวิญญาณเนี่ยทำเล่นไม่ได้โดยเฉพาะเราจะเบี่ยงกิเลสเราทิ้งเนี่ยกิเลสชอบไหมไม่ กิเลสมาในใจเราเนี่ยมันเกลียดชังมากมันจะหลอกเราแล้วหลายคนเดิน ม, มาครึ่งทางก็โดนหลอกก็เกิดลังเลสงสยัยไอ้ศรัทธาที่มีอยู่ก็ถูกไอ้ตัวลังเลสงสัยกลบหมดก็อ้างนวนอ้างนี้ผู้กําลังสแสวงหาอยู่ยังมีคงสงสัยอยู่เนี่ยไม่ตั้งมั่นเนี่ยไม่มีพลังหลักการที่ผู้เจ้าพูดง่ายๆก็คือไม่ทําบาปทั้งปวง เพียรสร้างกุศลให้ถึงพร้อมแล้วก็ขัดเกลาจิตให้ผ่องแผ้วส่วนเทคนิคอุบายวิธีนั้นเข้าๆพระองค์บอกมีหกอย่างแต่ตอนนี้เราไปจิตเรื่องยุบยิบยุบิงวิธีนั้นอาจารย์องค์นั้นอาจารย์องค์นี้อาจารย์คนนั้นคนนี้นะเราไปเรียนรู้แบบวิทยาศาสตร์แบบตักกะมันก็เลยเสียเวลาเพราะเราไม่ตั้งมั่นมันไม่เกี่ยวกับวิธีการนะ วิธีการดีแค่ไหนก็ไม่ดีถ้าคนทำไม่ดีคนทำไม่ดีเนี่ยหมายถึงยังไงไม่ใช่เป็นคนชั่วรลายไม่ใช่เป็นโจรไม่ใช่เป็นนั่นนะคือคนไม่มีความตั้งมั่นไม่มีศรัทธาเต็มเปี่ยมไม่มีขันติไม่มีวิริยะไม่มีความเพียรปกติมีมีทันทุ่มเทอยู่แต่มีนิดเดียวไม่เต็มร้อยถ้าเราไม่ตั้งมั่นเต็มร้อยละกิเลสมันมันจ้องอยู่แล้วล่ะ จ้องที่จะหลอกเราผู้เจ้าก็บอกว่ามันจะมีนิวรณ์ห้านะความลังเลสงสัยความง่วงเหงาหาวนอนความอะไรก็แล้วแต่ไอ้สิ่งนี้มันเกิดขึ้นจากกรรมที่เราสร้างฝึกให้เราเป็นนิสัยอย่างนั้นเ อ, อ่อแล้วเราแฝงด้วยความอยากทุกคนทุกคนมีความอยากนะแล้วกําลังเดินทางอยู่เพื่อดูดพ้นจากมันไอ้ความอยากมันก็ต้องทํางานบางทีอยากไปนิพพานอยากไวๆ นะวิธีการดีแค่ไหนก็ไม่ดีถ้าคนทำไม่ดีคนทำดีแค่ไหนก็ไม่ดีถ้าเป้าหมายในการทำมันไม่ดีเ อ, อ้าฉันจะทงการเป็นนิพพานอ่ะทำไมเป้าไม่ดีมันเหมือนดีนะแต่ถ้าเราคิดว่านิพพานเนี่ยเป็นเรื่องง่ายๆหาวิธีนั่นวิธีนี้แล้วก็ เ, ออเป็นเป็นแพ็เกจเป็นชุดวิชาสําเ็จรูปฉันเจอวิเศษแล้วทุกคนก็บรรลุนิพพานเลยอันนั้นคือเป้าหมายมันผิด เราทำมาหลายชาติไม่ใช่เรื่องแค่ปฏิบัติไม่กี่ปีแล้วว่าอุ้ยฉันไม่ได้อะไรฉันไม่ยดงไอะไรก็สแสวงหาอยู่จนนั้นแหละนะผู้เจ้าพูดคำว่าคนเรามีจริตหกโลภจริตโทสะจริต โ, โมหจริตวิตกจริตศรัทธจริตแล้วก็พุท ธ, ธจริตมันเป็นเรื่องปกติทุกคนบ่มเพาะจริตตัวนี้มายาวนาน แต่ไม่ใช่ว่าอ้างว่าจริตเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะแล้วก็ไม่ไปไหนเราต้องข้ามพ้นจริตเหล่านี้ทั้งหมดจนเราไม่มีจริตเมื่อตัวเราไม่มีเราใครจะเป็นคนมีจริตสุญญาตาว่างจากอัตตาแต่ถ้าคนเรายังมีอัตตาอยู่เราปฏิบัติปฏิบัติดึกๆเราดึงไว้อยู่เรายึดมั่นถือมั่นกับความคิดเรากับความเคยชินเราเนี่ยมันก็ก้าวหน้าช้าหน่อยหนึ่งก็เป็นเรื่องกรรมของเรามันไม่เกี่ยวกับวิธี วิธีนั้นดีกว่าวิธีนี้วิธีเพวกครูเคยบอกนะที่นี่ขายกว๋วยเตี๋ยวอะอยากกินกว๋วยเตี๋ยวก็มากินกว๋วยเตี๋ยวที่นี่วันไหนเบื่อปุ๊บไปเปลี่ยนกินข้าวแกงก็ไปเป็นสิทธิแต่อย่าเอากว๋วยเตี๋ยวกับข้าวแกงมาเปรียบเทียบกันแล้วตัวเองสับสนไม่พอก็พาคนอื่นสับสนด้วยเป็นกรรมหนักนะอาทิตย์ที่แล้วมีนักวิชาการชาวเยอรมันบังเอิญภรรยาเขาก็เป็นคนไทยพราครูดูว่าเป็นคนที่มีการศึกษา เขาบินมาเมืองไทยแล้วเขาไม่มีเวลาเขาตั้งใจมาที่นีนะ่เพื่อมาเลี้ยงเด็กปุ๊บเขาก็ไปช่วงสั้นๆชั่วโมงหนึ่งเขาคุย ก, กับนะพ่อคูเขาบเขาเป็นนักวิทยาศาสต ร, ร์ก่อนที่เขาจะทำอะไรไม่แต่หนึ่งวินาทีเขาก็วิจัยนะพ่อครูบัญชาคือใครศูนย์พระลานคอยคือใครเขาเข้าไปในเว็บไซต์เขาดูหมด เขาก็สรุปว่าคนที่ชื่อพ่อครูบัญชาเนี่ยเขาทำตัวแบบเอาชีวิตตัวเองเลยเนี่ยไปทดลองทดสอบเขาเห็นจริงเขารู้จริงเขาถึงหยุดชีวิตมาอยู่ที่นี่ก่อนที่เขาจะเสียเวลาแม้แต่หนึ่งนาทีคนพวกนี้คือนักวิทยาศาสตร์ที่แท้จริงไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์ลังเลสงสัยอย่า ง, ง น, นั้นนะเราเป็นนักวิทยาศาสตร์จริงๆเรามีสิทธิ์ ที่จะเลือกแบบไหนเนี่ยต้องทำให้มันแตกฉานเอาตัวเราไปทร้อนทดสอดก่อนค่อยจะไปบอกคนอื่นไม่ใช่แค่ไปอ่านนสือนิดหนึ่งนิดหนึ่งนิดหนึ่งนิดนึงก็เอามาติดต่อว่าฉันรู้อันนี้เป็นคนรู้มากไม่ใช่เป็นคนรู้จริงทำอะไรก็ไม่ก้าวหน้านะไม่ศรัทธาตั้งมั่นกับสิ่งที่เราทำมันไม่เกี่ยวกับวิธีตอนพ่อครูเด็กๆนะอยู่บนเนี่ยนะยังจาความได้ นะเคยไปเที่ยวแถวริมมูลนะมีโบสถ์แห่งหนึ่งของศาสนาคริสต์บาทหลวงท่านหนึ่งนั่นท่านบอกว่ามาอยู่ที่นี่สี่สิบปีเขาส่งมาท่านก็อยจะส่งมาท่านก็อยู่เฝ้าอยู่ตรงนั้นแหละนะเขาฝึกอะไรเขาก็ฝึกขันติศรัทธาตั้งมั่นนะเขาก็ทำหน้าที่เขา แต่พวกเราแฝงด้วยความอยากอยู่จะทําอะไรก็จะเอาเร็วๆจะเอาหน่นเอานี่เนี่ยจะไปนี่ผ่านด้วยความอยากมันไปไม่ได้อันนี้พวกเราต้องระวังโดยเฉพาะไอ้ไที่เราฝึกเนี่ยมันมันพวกกูเจอนา น, า, นาจิตตังหลายปีบางคนบอกว่าอ๊ยฝึกแนวนั้นยี่สิบห้าปีมาแล้วทุกแนวมันไม่ไรเพราะมาถึงไม่กี่ชั่วโมงก็เข้าไปแล้วทําไมมันเร็วจังแต่บางคนมาฝึกแนวนี้ไม่กี่ปีก็บอกเอ้ยทําไมมันช้าจัง มันไม่ใช่ถูกหรือผิดนี่แหละคือนานาจิตตังแต่ยังไงก็ช่างเราจะทำอะไรก็ช่างเสียเวลาไม่แต่หนึ่งวินาทีเราต้องศรัทธาในสิ่งที่เราทำก่อนผู้เจ้าบอกศรัทธาเริ่มต้นถ้าเรามีศรัทธาแล้วก็มีวิริยะมีความขยันเพราะเราศรัทธาถ้าทำแล้วกล้ า, ก, ากลั ว, ลวเบือ่อเบือ่ออยากๆเนี่ยนะไม่ว่าทางโลกทางธรรมแล้วมันไม่สาเร็จหรอกแต่ว่าอย่าอยากสาเร็จมากเกินไปจนคิดว่า การที่จะบรรลุธรรมนะอย่างอาจารย์คนนี้ก็บอกว่าเธอต้องเห็นน่นเห็นนี่ก่อนอาจารย์คนนี้เธอต้องเห็นนี่นี่ก่อนพ่อครูพยายามเล่าให้ฟังแล้วว่ามันไม่มีสูตรสําเร็จมีหลายคนถามพา่อพวอครูว่าทำํำไมพวกครูไม่สอนวิชาสามชั่วโมงบรรลุธรรมเพราะเราจะบรรลุเร็วๆเลยพวกครูไม่ติดบ่วงคนที่ฝึกมาอย่างนี้ก็ติดบว่วงนี่ก็เอาตัวนี้มาบอกว่าต้องทําอย่างนี้อย่างนี้นะ เขาลืมคิดไปว่าคนเรามันไม่เหมือนกันมันไม่มีวิชาใดวิธีใดมันเป็นสูตรสมเด็จว่าฉันเจอแล้วฉันบรรลุทําได้หมดเลยมันไม่ใช่แล้วเราก็เห็นแล้วไงครูบาอาจารย์วัดป่าเนี่ยนะซึ่งสายอุบลเนี่ยเขเป็นอาจารย์พ่อครูนั่นแหละหลวงพ่อชาเราเนี่ยลูกศิษย์ลูกหาท่านเป็นยังไง 38, าสามสิบแปดพรรษาก็ยังดูดลงไปเลยไม่ใช่ท่านผิด แต่มันไม่ใช่สูตรช้อเร็จว่าจะทําแบบไหนวิธีนี้ทุกคนบรรลุทําได้หมดมันไม่ใช่แต่พระเจ้าก็บอกกลางๆว่าเรามีความตั้งมั่นไหมเห็นไหมพระโค้งก็บอกหลักการสามเธอทําดีละชั่วขัดเกลาจิตให้ผ่องใสส่วนเทคนิคอุบายวิธีในการขัดเกลาจิตนางวิสาขาขัดเกลาจิตโดยอะไรให้ทานให้ลูกเดียวให้ลูกเดียวให้ลูกเดียวให้ลูกเดียวอันนั้นก็เป็นการขัดเกลาความโลภความตนี่มันมีหลายอุบายวิธีนะ ตอนนี้เราไปติดเรื่องวิธีไปแสวงหาวิธีนั้นวิธีนี้แล้วปฏิดไปต่ออันนี้ก็น้ำครึ่งถังน้ำครึ่งถังน้าครึ่งถังรู้ครึ่งเดียวและส่วนมากเป็นรู้เพราะว่าเขาบอกเรารู้เพราะฉันอ่านหนังสือเล่มนั้นเล่มนี้มันไม่ใช่รู้จริงมันเป็นนักเรียนแบบเท่านั้นเองโดยเฉพาะเรื่องจิตวิญญาณ น, นั้นทําอย่างนั้นไม่ได้เพราะกูก็เคยเล่าให้ฟังยกตัวอย่างหลายตัวอย่างว่าพาหิยะนี่เห็นอะไรไหม เป็นพ่อค้าไม่รู้เรื่องาศาสนาไม่ร่วมจิตวิญญาณเลยบังเอิญบุญมีวาสนาสง่งได้มาพบพระพุทธเจ้าไม่ใช่สามชั่วโมงบรรลุธรรมนะสามนาทีบรรลุธรรมแล้วยังไม่ต้องเห็นอะไรเลยไม่ใช่สูตรสมเด็จว่าต้องเห็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้ก่อนมันไม่ใช่เพราะกูสามชั่วโมงนั้นไม่เห็นอะไรเลยนะเห็นแต่กระบวนการมันทํางานอะไรอะไไม่ต้องไปเห็นอดีตอะไรนะ่ะมัน แล้วก็เห็นทีนี้พ่อครูไม่ได้ติดบ่วงอะไรนะจึงไม่บังอาจว่าให้ทุกคนมาฝึกวิชาวิชาสามชั่วโมงมาลู่ทางเหมือนพระครูเนี่ยมันไม่ใช่อย่างนั้นมันไม่ใช่ทางสายกลางซึ่งทุกคนทําได้ผู้เจ้าชี้ทางสายกลางให้เราเนี่หลักใหญ่ๆก็คืออย่างนี้นะทำดีละชั่วขัดเกลาจิตให้ผ่องใสแล้วก็กระบวนการที่เรากําลังทําอยู่เนี่ยพระองค์ก็ให้เครื่องมือมาสี่อย่าง เป็นตัวกำกับเตือนสติเราก็คือหนึ่งมีขันติมีความอดทนอดกั้นต่อการทำบาปทั้งกายวาจาใจถ้าไม่แน่ใจอย่าพูดอย่าชี้ทางคนอื่นมันเป็นบาปทำให้เขาหลงทางชีวิตข้อนี้ก็จบตกแล้วต้องอยากจะพูดก็ไม่ต้องพูดเพราะเราไม่แน่ใจเราต้องเอาชีวิตเราเนี่ยไปทดลองทดสอบนะถึงจะอ่านหนังสือมาเออ อย่าเพิ่งเชื่อทําทําตามวิธีนั้นลองก่อนเมื่อสำเร็จแล้วค่อยเอามาบอกเขาอันนี้แค่อ่านแค่นี้ก็เอามาบอกปฏิบติประต่อแล้วเนี่ยมันเลอะเลือนนะข้อแรกก็คือว่าต้องมีความอดทนอดกั้นต่อการทำบาปทั้งกายวาจาใจอย่าสร้างวัจีกรรมข้อที่สองก็ความไม่เบียดเบียนตัวเองและผู้อื่น อันนี้กำกับเราข้อที่สามเรามีหน้าฝึกพัฒนาจิตความสงบทำให้มันเกิดความสงบระดับสัมมาทาก ร, รมฐานแล้วก็วิปัสสนาะสัมมถทาก ร, รมฐานทำให้เราสงบชัว่วครู่ใช้พลังสมาธิไปกดมันไวนะ้ที่ก็บอกเหมือนหินทับย่านั่นแหละแล้วก็เห็นโน่นเห็นนี่ไงเข้าไปในฌานเกิดยานรู้ต่างๆเกิดอภิญญาต่างๆ แต่ส่วนมากมันเป็นโลกียะอภินญามันจะหลอกเราแต่คนที่เขาฝึกชาญหนึ่งเขาก็เดินต่างจัวัดเขาก็เห็น น, น่นเห็นนี่งไงแต่บางทีมันเสียเวลาเปล่าๆแต่ไม่ใช่ผิดนะใครชอบอย่างนั้นก็ทําไปแต่อย่าไปบอกว่าอย่างนั้นก็ดีกว่าอย่างนี้อย่างนี้ดีกว่านั้นมันไม่เกี่ยวพราหิยะไม่ต้องทําอะไรเลยนี่ฟังทำแค่เดียวนี่บรรลุธรรมแล้วเน้นบัณฑิตเจ็ดขวบบวชแค่แปดวันเป็นอหรหันต์แล้วทําไมไม่ฝึกให้เห็น น, น่นเห็นนี่ก่อนไม่มีนะ เนี่ยข้อที่สามคือสงบความสงบทีนี้เทคนิคการฝึกให้สงบนั่นที่พ่กอกูบอกมีระดับสมถะกรรมฐานแต่ถ้าวิปัสสนาเราเกิดปัญญาแล้วเราดับไอตัวเชื้อที่ทําให้เราไม่สงบออกมานั่นคือสงบตลอดการก็สมถะวิปัสสนานะสุดท้ายแล้วมันไปด้วยกันบางช่วงจิตมันก็อยู่ไปนิ่งไม่ต้องไปฝึกมันฝึกมาหลายชาติแล้วมันก็พาเราเข้าไปแต่บางคนยังเข้าไม่ถึงตรงนั้นอจิตหมุนได้แค่ เบี่ยงได้อย่างงั้นแต่มันยังไม่เดินไปตรงนั้นนะก็เราก็ไม่เข้าใจมันเราก็ไปดวนสรุปว่าไอ้แนวนี้มันไม่ใช่นะเรามีสิทธิ์เลือกที่จะเลือกแนวไหนวิธีไหนก็ได้แต่ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปตัดสินมันเป็นวจีกรรมนะข้อที่สี่นี้สำคัญมากเราต้องมีนิพพานไม่ใช่ปฏิบัติเพื่อจะเห็นโน่นเห็นนี่เพื่อจะเป็นผู้วิเศษ ไปทายทักคนอื่นผู้เจ้าไม่ได้บอกให้ทำอย่างนั้นนะพุทธสารยุกชนเนี่ยเรามีนิพพานเป็นเป้านิพพานคือความดับทุกข์เป็นเป้าหมายสูงสุดของศาสนาพุทธนะนี่คืออุดมการณ์สี่ที่เอามากํากับทำให้เราทำดีละชั่วขัดเกลาจิตให้ผ่องใสนะส่วนเทคนิคอุบายวิธีพรอครูบอกแล้วแม้กระทั่งพุทธโธเนี่ย พระใจเบิดบกก็ไม่มียุบหนองก็ไม่มีแต่ไม่ใช่ไม่ใช่ไ ม, ใชไม่ดีไม่ใช่เรื่องเสียหายเป็นอุบายวิธีที่ครูบาอาจารย์เนี่ยสร้างขึ้นมาเพื่อให้มันจําง่ายเราเปล่งมาว่าพุโทโธแต่มหายานเขาก็เปล่งอย่างอื่นทุกคนเนี่ยตั้งอย่างยุบหนอพองดอก็อาจารย์อุบาขินที่พมะเนี่ยท่านก็สร้างทฤษฎีนี้ขึ้นมาแต่มันก็อยู่ในหมวดของอริยบทบะยุคพองยุคพองขวาซ้ายก็เป็นอริยบทนะมันก็เป็นส่วนหนึ่งเป็นกรรมฐานอย่างหนึ่ง นะมันก็เป็นเทคนิคอย่างหนึง่งนะส่วนในที่พวกเราทํากันตรงนี้นะ่ะพวกครูหลีกเลี่ยงการใช้อุบายอะไรต่างๆนาะนาะไม่อุบายทํำไมมีเสียงมีอะไรอะไรเนี่ยเสียงนี่รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอารมณ์ไม่เป็นอายตนะนะแต่พวกคูไม่เคยตั้งชื่อเลยว่าไอ้แนวนี้มันเรียกว่าอะไรคําว่าเบี่ยงทิ้งไม่ใช่ชื่อเรียกนะ มันเป็นกิริยาที่บอกให้เราสลัดมันออกอย่าไปติดมันพวกครูไม่เคยตั้งชื่อถ้าตั้งชื่อปุ๊บเป็นลัทธินิยายพอคนติดลัทธินิกายแล้วก็ไปติดว่าต้องวิธีอย่างนี้เท่านั้นเท่านั้นสเต็ปสบายสเตปอย่างนี้งั้นอย่างอื่นก็ไม่ใช่ไงก็ไปขัดแย้งกันนะพวกครูยี่สิบห้าปีพครูสำรวมระวังเรื่องนี้ตลอดส่วนใครจะทําได้ช้าได้เร็วเนี่ยก็เป็นเรื่องนาน า, นาจิตตังไม่ใช่เราอยากได้เร็วเร็วนะ แล้วก็ไปสร้างข้อกังขาสร้างข้อลังเลสงสัยนั่นแหละไอ้ตัวนั่นทําให้เราเร็วไม่ได้ปฏิบัติเพราะเราศรัทธาปฏิบัติเพราะปฏิบัติบางคนบอกทาไมเร็วจังบางคนทำไมอยช้าจังเพราะคูยีิบห้าปีเพราะกูเจอหมดนะก็ถึงใช้คําว่นานานาจิตตังเป็นเรื่องปกติจะเร็วไปทําไมจะช้าไปทําไมจะอะไรยังมีเงื่อนไขเวลาเห็นไหม บาตหลวงเขามาอยู่ที่อุบล น, นั้นสี่ิบปีตลอดชีวิตเขาเขาก็ทําหน้าที่เขาหน้าที่เขามีหน้าที่นั่งเฝ้าโบสถ์นะตอนรับญาติโยมเขาก็สนทนาธรรมด้วยนะสายมหายานบางทีไม่ต้องทําอะไรสวดมนต์ทั้งวันสวดเขาก็สวดอยู่ตรงนั้น่ะอย่างน้นอยๆเขาก็ได้ขันติมีวิริยะมีความตั้งมั่นมันเป็นเรื่องแค่เทคนิคเป็นอุบายวิธีเป็นวิธีการเฉยๆแต่อย่าปฏิบติป ร, ตประต่อจะปฏิบติประตอมันจะมั่ว แลเราหลงทางไม่พอจะพาคนอื่นหลงด้วยอันนี้เป็นกรรมหนักนะเพราะครูเคยบอกแล้วเราไปขโมยนาฬิกาเขาเนี่ยเขาเสียนาฬิกาเขาเสียใจด้วยนะแต่แค่เสียใจเสียนาฬิกาถ้าเราไปชี้ทางให้เขาผิดเนี่ยเขาเสียชาติเกิดทั้งชาตินั้นไม่ใช่เรื่องทำเล่นนะความลังเลสงสัยเกิดขึ้นเป็นเรื่องปกติธรรมดาเพราะเราเป็นเราแฝงด้วยความอยากเราเป็นนักคิดนะ คิดยิ่งคิดก็ยิ่งลังเลยิ่งสงสัยยิ่งกังวลเห็นไหมก็ไอ้ลังเลสงสัยก็เป็นนิวรนขึ้นมาเป็นสิ่งขวางกั้นทางเดินทําให้เราก้าๆกลัวๆจิตก็ดึงชักไปยอะกันเดี๋ยวจะเอาบ้างไม่เอาบ้างเนี่ยแล้วมันจะไปไหนล่ะให้มันชัดๆเลยนะไม่ใช่ว่าต้องไปซื่อสัตย์ต่อวิธีไหนก็ช่างไม่ใช่แต่อย่าไปกําหนดว่าวิธีนี้ก็ดีกว่าวิธีนั้นไม่มีมันไม่เกี่ยวไม่อย่าไปแข่งกับเรื่องวิธี บางคนไม่มีวิธีเลยฟังทำคำหนึงมารลุธรรมแล้วเห็นไหมอันนี้ต้องต้องระวังนะเอาเป็นว่าเรื่องจิตวิญญาณทําเล่นไม่ได้บางคนเป็นบ้าไปเลยล่ะพราะคิดมากนะวิปัสสนึกทําไปด้วยก็นึกไปด้วยที่นึกไปนึกมานึกด้วยคิดด้วยไอ้นึกก็ดึงไปอดีตไอ้คิดก็ไปสู่อนาคตเนี่ยนะ ทีนี้บางคนก็ปฏิบัติแล้วก็จิตมันก็ชอบเข้าไปละลึกชาติก็ไปบอกคนอื่นละลึกชาติละลึกชาติละลึกชาติเห็นไหมเอาความเคยชินเราเองก็ไปบอกเขาทําตามอย่างยิ้มมันไม่เหมือนกันนะสามชั่วโมงของพ่อกูนั่นไม่เห็นอะไรเลยนะเราเห็นแต่ปัจจุบั น, นมันทํามันระเบิดตุ้มนั่นแหละเราก็เห็นการทํางานของอายตนะของวิญญาณหก ตอนนั้นเราไม่เรียกชื่อไม่รู้ชื่อมันเรียกว่ายังไงทีนี้เราจะไปดูว่าเออมันทําไมถึงเป็นแบบนี้เราไม่มีศีลเลยศีลห้าบอกไม่ให้ทําอะไรทําหมดแล้วทําไมเราเราถึงมรรูุทาได้นะเพราะมันก็รีวายไปมันดีวายข้ามภพข้ามชาติมันเห็นที่มาที่ไปของมันมันไม่ใช่เรื่องชาติเดียวไม่ใช่เรื่องวิชาที่มาเรียนจบชาตินี้ของเก่าบวกของใหม่คือผล ทีนี้การไปเห็นอดีตเนี่ยมันก็มีประโยชน์ระดับหนึ่งแต่ถ้าไปหลงอดีตเมื่อไหร่ก็เป็นโทษเหมือนกันนะถ้าบางคนปฏิเสธไม่เออฉันไม่อยากเห็นอดีตหรอกไม่ใช่อยากไม่อยากนะถ้าคุณอยากแต่พลังบา ร, รมีคุณไม่พอคุณก็ไปไม่ได้แต่ถ้าคุณไม่อยากแต่จิตเดิมของคุณว่าต้องให้คุณหายสงสัยมันก็พาไปอีกนั้นแหละ อย่าไปคิดเราเองอย่าใช้สมองโงโงๆของเราเนี่มาคิดเรื่องจิตวิญญาณคิดอย่างไรก็ไม่รู้มอบชีวิตให้กับจิตจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวและจิตเขาจิตเดิมเองจะรู้ว่าจิตปัจจุบันมันติดบ่วงอะไรบางคนต้องไปเห็นอดีตเพื่อจางคลายความลังเลสงสัยเรื่องภพชาติเรื่องเวียนว่ายตายเกิดเรื่องบาปบุญคุณโทษถ้าเรื่อง ระลึกชาติเป็นเรื่องเหลวหลายเรื่องไม่ดีเนี่ยเราชอบอ้างุู้เจ้าเลือกบางอย่างที่เราชอบแต่บางอย่างที่ผู้เจ้าทำก็ไม่พูดถึงบุพเพนิวาสานุสติยานเป็นวิชาแรกที่ผู้เจ้าตัดสุรวิชาสามวิชาแรกคือบุพเพนิวาสานุสติยานยานรู้ว่าด้วยการระลึกชาติสมัยเป็นพระเวสสันดรเป็นน้นเป็นนี่พราครูหลายปีที่ผ่านมาก็โดน ผู้รู้ไม่จริงเนี่ยต่อว่าหลายคนว่าไม่ศรัทธาพระพุทธเจ้าว่าทำไมสมัยเป็นพระเวสสันดรเนี่ยบางอาจเอากันหาชาลีไปมอบให้ขอทานพวกครูบอกว่าถ้าเกิดมอบให้เศรษฐีนี่คงดีใจเนาะเขาแสดงออกถึงตัว น, นั้นเขาไม่ยึดมั่นถือมั่นทุกอย่างเป็นแค่สมมติถ้าพระให้เศรษฐีลูกเราก็หลงระเริองอยู่กับความสะดวกสบายนั้นล่ะมันก็ตายเปล่า ให้ขอทานมันก็จะได้เห็นทุกข์เนี่ยคือคนเรามีปัญญาระดับหนึ่งอย่ า, พยา ย, ย า, ยาพยายามใช้ความรู้สึกตัวเองเนี่ยไปกาล่าวโทษแม้กระทั่งว่าผู้เจ้าเห็นแก่ตัวมันไม่ใช่เรื่องเห็นแก่ตัวเป็นเรื่องเฉพาะตัวใครว่างคนนั้นก็ว่างมันจะยึดมั่นถือมั่นถูกผิดอยู่นั้นแล้ ว, ลวมันจะไปไหนนะก็ผู้เจ้าก็ระลึกชาติ ไม่เห็นตัพระ อ, องค์เห็นเรื่องเวียนไหวาตายเกิดบาปบุญคุณโทษกฎแห่งกรรมได้อย่างไรไม่ใช่นั่งทางในคิดเอาเองไม่ใช่วิปัสสนึกพระ อ, องค์ไปสัมผัสของจริงที่พระ อ, องค์เวียนไหวาตายเกิดปเป็นมาหมดแล้วและตัวนั้นก็คือตัวปัญญาทำให้พระ อ, องค์เห็นรู้แจ้งเห็นจริงว่ากฎแห่งกรรมมีจริงแล้วทุกอย่าง เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็เห็นจากประสบการณ์พระองค์แต่ไม่ใช่ทุกคนต้องทำตามพระองค์ทุกอย่างถ้าเราทำพระตามพระองค์ทุกอย่างทั้งหมดได้เนี่ยล้วก็ไม่รู้ต้องตายอีกกี่แสนกลับนะทำตามพระองค์บางอย่างทำมันจริงๆเมื่อเราบรรลุทำแล้วเนี่ยจิตหลุดพ้นดวงตาเห็นธรรม เราเข้าไปสู่สภาวะธรรมแล้วเนี่ยเราก็จะเข้าใจสิ่งที่ผู้เจ้าตรัสรู้แต่ไม่ใช่ต้องไปรู้หมดทุกเรื่องนะเอาเป็นว่าใบไม้กับมือเดียวเนี่ยเอามาสักใบหนึ่งทามันจริงๆนะถ้าไปนั่งวิจัยทั้งทั้งบทเนี่ยตายก่อนเอามาสักใบหนึ่งเนี่ยทจริงๆนะใบหนึ่งก็เหมือนว่าหลวงปู่ดูลก็พูดอยู่ นะไอ้การที่ไปหลายสำนักแล้วเนี่ยมันจะสับสนแต่ไม่ใช่ว่าทุกคนต้อง อ, อกอดซื่อสัตย์กับที่นี่ไม่ใช่สำนักที่นี่ศูนย์คือซีโร่ไม่มีลทัทธินิยายคือว่างใครจะไปจะมาไม่เป็นไรนะเป็นสิทธินะแต่มาแล้วเบื่อก็จะไปที่อื่นก็ไปเป็นสิทธิอย่าเอามาเปรียบเทียบกันเดี๋ยวมันจะวุ่นวายสับสน นะไปสร้างความสับสนตัวเองไม่พอสนให้คนอื่นอีกเนี่ยไม่เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำนะสูวนนี้พ่อครูแนใ่ใจว่าพ่อครูยีสปีไม่ได้ทำอะไรผิดเพราะไม่ได้เบียดเบียนใครนะมีแต่ให้ทานศินภาวนาส่วนบางคนจะเข้าใจถูกเข้าใจผิดมองมองไม่ถึงก็แล้วเนี่ยก็เป็นเรื่องของนานาจิตตังนะความเชื่อของแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่เตือนว่า ก่อนที่จะพูดอะไรเนี่ยถ้าไม่แน่ใจอย่าพูดมันเป็นการสร้างวัชีกรรมมันเป็นกรรมนักทุกวันนี้เรามักง่ายจะพูดอะไรก็พูดจะกล่าวหาอะไรก็กล่าวหามาะเลยอย่างี้นะมันไม่มีมันไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยมันเป็นการสร้างวัชีกรรมวันนี้เราพูดเรื่องภายในเรานี่แหละเรื่องจิตวิญญาณเราทำเนี่ย พวกครูทำเพราะทำเดี๋ยวเวลาวันหนึ่งก็ทำทำตามเหตุและปัจจัยไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นกับแนวทางเพราะแนวทางที่นี่ไม่มีแนวทางไม่มีอะไรยึดโลกมันเปลี่ยนดู ต, ตั้งแต่ไม่มีไฟฟ้าเห็นไมแล้วทำไมต้องเอาไฟฟ้าเข้ามาเห็นบ้ละก็โลกมันเปลี่ยนหนุ่มสาววิ่งตามเงินคนแก่เลี้ยงหลานที่บ้าน โอเคเราต้องการเปิดโรงเรียนอะไร เ, เพื่อเป็นการเผื่อแผ่ออกไปกว้างๆนะทีนี้การศึกษาก็เงินไขว่าเธอต้องมีคอมพิวเตอร์เธอต้องมีเทคโนโลยีก็เอาไฟฟ้าเข้ามาก็ไม่เป็นไรนะก็เรายอมรับความเปลี่ยนแปลงของมันแต่ถ้าเรายึดมัน่นถือมั่นยึดลัทธิชันวิธีชั้น มันก็ไม่รู้เท่าทันเหตุปัจจัยที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าทางโลกทางธรรมไม่มีทางก้าวหน้าพวกครูมองย้อนหลังไปอดีตที่เราเป็นการนักการค้าอยู่ถ้าเอาสภาวะนี้ไปค้ากับเขาเนี่ยเสร็จพวกครูทั้งหมดเลยแต่มันไม่มีความอยากมันมองเห็นมันสงสารเวทนาพวกครูทำทำไมถ้าไปหาเหตุผลไม่รู้ ไม่รู้เมื่อวานก็เพิ่งคุยกับญาติธรรมที่มาจากกรุงเทพเขาไปศูนย์ที่โคอย่ห้าบ่อยๆนะโดยเฉพาะรุ่นเล็กแรกพวกครูเปิดอยู่ว่างวันนิดค่าเช่าเดือนหนึ่งแสนบาทเฉพาะค่าเช่าค่าน้าค่าไฟค่าใช้จ่ายอะไรอีกเห็นไหมเราไปทำทำไมเขาบอกมีแต่คนบ้าเท่านั้นไปทำไม่ได้เก็บตังค์สักบาทหนึ่งนั่นแหละ ถ้าคนบ้าไม่ทุกข์ก็ดีแล้วดีกว่าคนเก่งทุกข์ทำทำไมทําเพราะทําไงนะก็ทําตรงนั้นก็ทําแล้วอันนี้สงที่ทําตรงนั้นเราก็ไปเห็นว่าสิ่งนี้มีประโยชน์โดยเฉพาะคนในเมืองเขาไม่มีเวลาเรามองแต่ว่าสิ่งที่เราทําเนี่ยสัตว์โลกทั้งหลายมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยได้ประโยชน์ไหม เราไม่ได้มองว่าเราทํำแล้วจะได้อะไรแม้กระทั่งจะไปนิพพานแล้วมองว่าโอ้ฉันยังไม่ได้ชั้นย่างงี้เนี่ยอันนี้คุณไปนิพพานไม่ได้หรอกคุณทําเพื่อเห็นแก่ตัวการไปนิพพานคุณต้องสละตัวตัวคุณต้องเสียสละทุกอย่างอันนี้อยากไปนิพพานทําไมชั้นช้าจังใช่แล้วอย่างเนี้ยคุณจะไปนิพพานด้วยความอยากเนี่ยคุณไปไม่ได้หยุดหลอกตัวเองจะเสียเวลาชีวิตนะ ยีหปีอยู่ที่นี่พ่อครูเรียนรู้กับญาติธรรมก็มาเยอะเห็นหมดแบบนั้นเห็นหมดแต่พ่อครูไม่เคยต้องอภัยให้ใครเลยเพราะว่าพระครูไม่ได้มองว่าเขาถูกผิดเขาก็เป็นไปตามกรรมของเขาแต่บางครั้งเราพูดคือเตือนสติเราให้สติเราให้รใหธรรมทานแต่ไอ้คนยึดมั่นถือมั่นตัวเองมีความอยากอยู่ก็อ้างโน่อนอ้างนี่เขาเป็นเรื่องของเขาพรอครูทําหน้าที่พรอครูแล้ว เดี๋ยวฉพาะเล่นกับจิตวิญญาณนี่พรอครูให้สตินะถ้าไม่พร้อมอย่าทําถ้าพร้อมแล้วอย่าทําเล่นอย่าทําเล่นกล้าๆกลัวๆเบื่อๆอย่างยากเป็นกรรมใหม่มันไม่เกี่ยวกับวิธีมันเกี่ยวกับเราเอาจริงไหมมีศรัทธาตั้งมั่นไหม มีวิริยะไหมมีจิตตะไหมมีวิบังสาไหมมีบังสาต้องเกิดจากจิตมันเกิดประสบการณ์เกิดปัญญาเองไม่ใช่คิดเอาเองบอกคิดแบบวิทยาศาสตร์การนักวิทยาศาสตร์เนี่ยทำให้โลกทุกวันนี้เนี่ยวุ่นวายไปหมดเลยวิทยาศาสตร์มันแยกส่วนคิดแบบตกกะนะในร่างเรามีลูกกำนาม วิทยาศาสตร์หลักการก็าคือต้องช่างตวงวัดได้ไ ม, มันก็วิจัยเฉพาะเรื่องรูปเรื่องกายภาพมันก็เลยพลาดโอกาสในการวิจัยเรื่องนามธรรมชาติมีรูป ก, กับนามในตัวเราก็มีรูป ก, กับนามเห็นวิทยาศาสตร์เลยแบกแหละคิดแบบวิทยาศาสตร์นะจริงๆล้วคิดแบบวิทยาศาสตร์เนี่ย เราต้องทดลองทดสอบด้วยตัวเราเองนะเราก็เห็นความเปลี่ยนแปลงทั้งรูปทั้งนามเราแต่ตอนนี้วิทยาศาสตร์มันติดตัวช่างตวงวัดเนี่ยมันก็เข้าไม่ถึงนามมันก็เลยพลาดโอกาสนะรู้ครึ่งเดียวนะรู้ครึ่งเดียวนะเอาเป็นว่าผู้เจ้าก็เตือนอยู่แล้วว่าอย่าเพิ่งเชื่ออะไรง่ายๆอย่าเพิ่งเชื่อที่ทเขาทำตามๆกันมาอันนี้เชื่อดีมากคนนั้นบอกอย่างี้อาจารย์คนนั้นบอกนี้อาจารย์บอกคนนี้ นะฟังหูไวหูบางทีอาจารย์คนนี้เขาเป่งออกมานมันไม่ได้ผิดแต่มันเหมาะกับในกอมันไม่เหมาะกับในขอมันคนมันเป็นศาสตร์วิชาแต่ถ้ามรรคจิตแล้วเนี่ยมันไม่ใช่วิชามันเป็นการเดินทางแต่ทีนี้พอเรายังเข้าไม่ถึงแล้วเราต้องดูว่าเข้าไม่ถึงเพราะอะไร ไม่ใช่ไปสรุปปุ๊บเข้าไม่ถึงเพราะอย่างนั้นอย่างนี้นะนะเราต้ติดอะไรแน่แน่เราติดโดยอุปนิสัยจริจริตเราก็ทําให้เราติดแล้วทําอะไรก็ติดติดติดติดติดนะมันก็เลยก้าวไปไม่ได้นะแต่มันไม่ เ, เกี่ยวกับ ว, วิธีมันดีไม่ดีนะเกี่ยวกับกรรมของเราเนี่ยแหละที่ทําให้เราเป็นคนคิดมากแล้วก็แฝงด้วยคำอะไรต้องอยากอยากเร็วเร็นี่นะ เราไปคิดง่ายๆว่านิพานมันเป็นเรื่องที่ง่ายๆนะจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ยากอะไรถ้ามันถึงเวลาเราไม่รู้หรอกเวลามันถึงเมื่อไหร่เรามีหน้าที่ดําเนินต่อไปคือทําต่อไปนะบางคนก็นถามพ่อครูว่าพ่อครูวิธีที่เราทํานี่มันถูกไหมมันผิดไหมถ้ามีวิธีแล้วมันจะถูก แล้วมันจะผิดเราอาจจะทำถูกวิธีแล้วก็ทำผิดวิธีแล้วก็ถ้ามีวิธีอาจจะถูกกันในกออาจจะไม่ถูกกันในคอสิ่งที่เราทำอยู่ไม่มีวิธีจิตมันทำเองและทุกคนต้องไม่เหมือนกันบางคนต้องเห็นโน่นเห็นนี่บางคนไม่ต้องเห็นอะไรเลยแต่ที่เราไปฟังวิธีสำนักนี้ บอกต้องเห็นอย่างนี้ก่อนเพราะว่าเขาเห็นมาอย่างนี้เขาก็ต้องบอกว่าทุกคนต้องทำเหมือนเขาอันนี้เข้าใจเรื่องจิตวิญญาณไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องเห็นก็ต้องเวี่ยงทิ้งได้ยินก็เวี่ยงทิ้งรู้ยังเวียงทิ้งเลยแล้วคุณอยากรู้อยากเห็นอะไรเหลอมันไม่มีอะไรให้รู้ให้เห็นมันเป็นอ น, นิจจังทุกขังอนัตตก็รู้อยู่แล้วไง แต่ถ้ามันจำเป็นต้องเห็นก็เห็นแล้วก็เหวี่ยงทิ้งรู้แล้วก็เหวี่ยงทิ้งยังอยากจะไปนั่งไปปฏิบัติให้มันเห็นอะไรเหรอเจ๊มั้ยไม่สุดตรงข้างนอกข้างในพอให้จิตเราดำเนินแต่ตอนนี้บางทีเราไม่ปล่อยร้อยเปอร์เ็นลึกๆอิจใจปัจจุบันมันยังดึงไม่อยู่มันยังติดอยู่ ความผิดของใครไม่จะเกี่ยวกับวิธีก็เป็นกรรมของเราไงกรรมเราสร้างให้เราเป็นนักเป็ น, น, ปนคนน้ำวิตกจริตแล้วทำอะไรแฝงด้วยความอยากอยากเห็นไวๆอยากสาเร็จใวนะ้เราปฏิบัติเพราะปฏิบัติไม่มีเงื่อนไขอย่างอื่นนะอย่าไปกล่าวโทษ อย่าไปตัดสินว่าวิธีนั้นวิธีนี้บางครั้งพ่อครูแสดงธรรมกว้างที่เขาทำมาทำทาทาทอย่างนี้เขาก็มีอุบายวิธีของเขาแต่เมื่อเขาไปติดตรงนั้นแล้วเขาก็บอกว่าถ้าใครไม่ทำแบบนั้นแล้วก็คือไม่ใช่บางทีพระครูก็ต้องชี้แจงว่าไอ้คนที่ว่าเขาไม่ใช่นั่นละนั่นละ มันเป็นมิจฉาทิฏฐิเพราะคุณหลงกับสิ่งที่พูดบอกว่ามันใช่มีอะไรใช่บ้างไม่มีอะไรใช่สักอย่างหนึ่งมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไงมันเป็นแค่สมมติชั่วข่าวเทคนิคอุบายวิธีก็เป็นสมมุติบางคนทำได้ผลบางคนทําไม่ได้ผลแต่ไม่ใช่ว่าวิธีมันไม่ดีนะแต่ยังไงก็ช่างถ้าเราเชื่อมั่นพระพุทธเจ้านะ จับวิธีไหนก็ดังก็ต้องทำให้มันถึงแก่นก่อนนะเมื่อทำแล้วค่อยเอามาพูดไม่ใช่เป็นแค่รู้เขาบอกเรารู้อ่านหนังสือก็เอามาพูดอย่างนั้นอันตรายนะก็ชาวเยอรมันเนี่เขาเป็นนักวิทยาศาสตร์นะทั้งภรรยาด้วยเป็นพงศ์แกเรียนกว่าเขาจะมาที่นี่เขาหาข้อมูลพระครูหมดละ แล้วเขมีเวลาน้อยเขาก็ บ, บินมาขอได้ทําบุญกับพ่อครูแล้วก็มาดูเหตุการณ์เห็นไหมเขาบอกพก่อครูเนี่ยเอาชีวิตพ่อครูเนี่ยไปทดลองทดสอบจริงๆและยี่บห้าปีอยู่ที่นี่นะไม่ใช่ยี่บห้าวันเจอปัญหาไหมมีปัญหาทุกวันแต่สำหรับพ่อครูไม่ใช่ปัญหามันไม่ใช่ปัญหาถ้าเ ป, เป็นปัญหานะพ่อครูหนีไปตั้งนานแล้ว ทำไมต้องมารับไอ้สิ่งเหล่านี้ทั้งมันแต่มันไม่ใช่ปัญหามันเป็นเรื่องของนานาจิตตังเป็นเรื่องของหนาทีนะก็พูดชัดเจนนะทั้งทางโลกทางธรรมพวกคุณไม่มีปัญหาจบทางโลกอาม่าเขาก็สำเร็จไปแล้ว ลูกพ่อครูสองคนที่อุ้มมาจากเมืองนอกมาอยู่บนนอกนะแม่เขาก็ดีกทางให้ตั้ ง, งนานเขาก็จากไปสองคนนี้ก็ครบนิติภาวะแล้วต่อไปเป็นเรื่องของเขาเวลาที่เหลือพ่อครูทั้งหมดเนี่ยก็คือทานศีลภาวนาไม่มีอะไรกังวลก่อนจะมองอะไรมุมหนึ่งต้องมองทั้งหมดหอยู่ว่าคาว่าศูนย์นี่คืออะไร ศูนย์เนี่ยมันไม่ใช่หนึ่งสองสามมันเป็นศูนย์มันซีโลมันว่างหลายปีก่อนเคยมีครูบาอาจารย์ขอพระครูตั้งวัดพราะครูบอกว่ามันเป็นศูนย์อยู่แล้วอย่าไปตั้งวัตถุให้มันเป็นมันไม่ต้องเป็นอะไรมันเป็นวัดปฏิบัติวัดตาละถึงมันจะมีสร้างน้นสร้างนี้บ้างมันมีก็เหมือนไม่มีเพราะครูไม่ได้ยึดมั่นถือมั่น แต่คนที่ยังมีอยู่เนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องผิดนะถ้าคุณไม่ฝืนมั น, น่ะคุณก็สร้างกรรมไม่หยุดไม่หย่อนเพราะครูก็มีหน้าที่เตือนส่วนเตือนแล้วจะฟังไม่ฟังก็เป็นเรื่องสิทธิแต่พูดให้ฟังว่าศูนย์นี่มันว่างมันบริสุทธิ์มันไม่มีอะไร อย่าไปทำให้มันมีมีของเธอมีของฉันจะทำบุญก็ทำบุญร่วมกันอย่าเป็นบ้านฉันบ้านเธอบุญกูจะเอาคนเดียวเนี่ยเราพลาดโอกาสในการทำสุญญาตาฐานทำบุญก็ต้องแยกพวกอะไรอย่างนี้นะมันไม่ไม่ใช่วิสัยของผู้เดินทางมีญาติที่ทำหลายคนหวังดีไงอยากทำบุญ ระ บ, บะรุเลยพ่อครูทำบุญให้ทำนู่นทำนี่นะครที่ว่าไม่ใช่เอาบุญให้พ่อครูนะเอาให้พ่อครูแบกบเขาไม่รู้ว่าพ่อครูกำลังทำอะไรอยู่งานบอกเยอะแยะนะไม่ทำบุญผ่านพ่อครูไม่ได้บุญเยอะฉันจะทำเองคิดยังไงนะบางคนติดเรื่องสิทธิก็จะใช้สิทธิจนลืมหน้าที่ ทำไมช่วงหลังนี้หลายหลายท่านขอให้พ่อครูเนี่ยขออนุญาตสร้างบ้านพ่อครูไม่ให้สร้างเพราะที่ผ่านมาเป็นบทเรียนแล้วพอเราไปติดคาว่าบ้านตัวกูของกูบ้านกูแล้วกูต้องเฝ้าบ้านกูแล้วกูต้องห่วงบ้านกูนะแล้วกูก็ทำตามใจกูไงมันไม่ใช่วิสัยของนักเดินทางผู้เจ้าบอกเราจะไม่สร้างเรือนอีกต่อไปแต่พ่อครูไม่ปฏิเสธว่าคนยุคนี้เนี่ย วิถีชีวิตเขาทให้เขาไม่มีโอกาสสัมผัสไม่มีโอกาสฝึกอดทนเนี่ยเ อ, อก็เปิดอนุญาตเอาสร้างห้องแถวพออยู่ได้คุณจะได้ไม่ติดมันเป็นแค่ที่อยู่อาศัยไม่ใช่บ้านเพราะคำว่าบ้านเนี่ยเราจะไปติดเลยแล้วก็สิทธิของฉันฉันจะทำอะไรก็ได้ไงคิดว่าเราฉลาดเลยเราเสียเวลาชีวิต ต้องระวังนะก่อนที่พระครูจะทำอะไรเนี่ยพระครูดูไกลๆดูเข้าไปในจิตดูประโยชน์ที่มันเกิดขึ้นจากพวกเราอตูชาถอยชีวิตมาที่นี่แต่เราก็ยึดมั่นถือมั่นอยากทำตามกิเลสตัวเองนะอะเนาะเพราะเราไม่ศรัทธาเราลังเล ส, สงสัยกับครูบาอาจารย์ตัวศรัทธาก็สอบตกแล้วอย่าไปพูดถึงเรื่องอื่นถ้ายังไม่แน่ใจอย่าศรัทธาอย่าศรัทธางงๆ ตามที่คนอื่นบอกดีๆก็ศรัทธาเขาต้องใช้สติปัญญาเมื่อศรัทธาแล้วอย่าลังเลเพราะคูตู้มเดียวถวายชีวิตมาอยู่ในป่าไม่กลัวไม่มีสมัยก่อนยี่สิบกว่าปีไม่มีใครกล้ามาทางนี้หรอกบางคนเขาา้ามาออ้พวกกูทำไมอยู่ไกลจังเจอถนนไอ้นี่เพราะว่าอตอนนี้เจริญมากแต่ถนนนี่สบายมากเลยนะพวกกรูนั่งเรือข้ามมา ไปฟ้าก็ไม่มียีสิบกว่าปีอยู่แบบสงบเย็นที่เ ป, เ, ปเปิดเปิดเปิดนี่เปิดโอกาสให้ทุกคนเข้ามาเดินทางไม่ใช่เข้ามาเอาอะไรไม่มีใดให้มาเอาออกเราก็เอาความคิดแบบตักกะแบบเหตุผลทางโลกโลกนี่ก็มาใช้ที่นี่นะมถึงไม่ก้าวหน้าไง เพราะเราไม่ศรัท ธ, ธาถ้าคนเขาศรัท ธ, ธาแล้วเนี่ยครูบาอาจารย์เตือนหน่อยหนึ่งอย่าเพิ่งเชื่อเอาไปพิจารณาเรามองตัวเองว่าต้องแก้ที่ตัวเองไม่เราแยง้งเราแยง้งเราแยง้งเพราะครูเห็นนะขึ้นตรงนี้ถ้าไม่เตือนกันบ่อยๆเนี่ยต่อไปนี้ศูนย์ก็เป็นไม่ไม่ต่างกับที่อื่นมันจะยุ่งวุ่นวายมันจะยุ่งวุ่นวายนะ ถ้าพวกวูเห็นแก่ตัวจริงๆแตว่าเห็นแก่ตัวนี่นะพวกวูไม่เปิดศูนย์หรอกมันสบายดีแล้วไงสิบกว่าปีหนีความวุ่นวายมาไงแต่ตอนนี้โลกมันเปลี่ยนนะสังคมเปลี่ยนหนุ่มสาววิ่งตามเงินคนแก่เลี้ยงหลานที่บ้านเอาวัฒนธรรมวัตถุนิยมเข้ามาเอายาเสพติดเข้ามาที่ว่าเราสบรงบเล้วเหานพวกเราวิ่งเข้าวิ่งออกเนี่ย เดืกดืด่นๆเนี่ยคิดว่ามันเกิดขึ้นลอยๆยเหรอลองไปหมู่บ้านอื่นสิการนิ้สงจะททำมายาวนานไงส่วนเขาจะชอบไม่ชอบก็เป็นเรื่องสิทธิแต่เราไม่เคยทำให้เขาเกียดเห็นที่เราอยู่รอดปลอดภัยตรงนี้ไม่ใช่มันเกิดขึ้นลอยๆอยนะเพราะการให้ไง ส่วนให้ขคนมีทธิติมาล่ะก็พูดกับคนช่างแต่ลึกๆเขารู้ว่าเราเราให้เขาเรามาที่นี่เพื่อให้เขาเราไม่ได้ไปเอาอะไรจากเขาเห็นไมแที่นี้พวกเราเดินทางแล้วถามว่าพวกเราเนี่ยทำอะไรบ้างเวลาให้ให้จริงหรือเปล่าหรือสร้างภาพเราหลอกคนอื่นได้เราหลอกจิตเราไม่ได้นะสร้างภาพเพื่ออะไรเราจะเอาอะไรเหลือบุญก็ต้องเบาทำบุญก็ต้องเบา คือจาคะคือสลัดความโลภความตนีออกไม่ใช่ทำแล้วมีเงื่อนไขไม่ใช่ทาแล้วมีเงื่อนไขพขวกคุณเราแล้วทุกวันทุกวันนี้โลกมันยิ่งแรงขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้นมีแต่ทิฏฐิมานะกันมีโอกาสแล้วยังไม่รีบเดินทางนะยังมีความคิดนั่นคิดนี่ลังเลสงสัยเกี่ยงกันอยู่นะ ฉันถูกเธอผิดอะไรเนี่ยนะแทนที่จะใช้เวลาทุกๆนาทีเราเนี่ยตัดตวงอริยทรัพย์เผื่อขาดเหลือชาตินี้มันข้ามฝั่งไม่ได้มันก็มีพลังที่จะไปใช้อนาคตชาติแต่เราสู้กิเลสไม่ได้แล้วก็เราก็ไม่พยายามจะสู้มันด้วยไม่พยายามจะจะต้านมันหรือว่าฝืนมัน เพราะเราอ่อนแอนมากทําตามมันตลอดถ้าเป็นเรื่องข้างนอกไม่เป็นไรนะเมื่อกี้นี้ญาติจะทํำมาลาเพราะครูจะกลับกรุงเทพนะเขาก็ก้าวหน้าเขาเพิ่งฝึกมานับเือนไม่กี่เดือนนับเป็นชั่วโมงก็ไม่เยอะเอาครอบครัวมาทั้งครอบครัวเขาบอกตอนนี้เนี่ยระหว่างทางโลกทางธรรมเขาบอกไม่มีอะไรแตกต่าง จิตเขาไม่มีอะไรแตกต่างเพราะกูบอกถูกแล้วบางคนอ้างนี่ทางโลกนี่ทางธรรมอย่ามายุ่งฉันนะมันกิเลสทั้งนั้นน่ะทางโลกก็ตายมันก็ไปสู่ความตายสู่ทางธรรมเหมือนกันหมดแอ่ะมันขีดมันขีดปวงบางคนว่าก็เราเป็นคนเนี่ยก็ถูกแล้วก็เราเป็นคนมันทุกข์ไงเรามาปฏิบัตินี่เพื่อเลิกเป็นคน อย่าไปอ้างคนต้องเป็นอย่างนี้ไงก็มันเป็นอย่างนี้มันถึงทุกข์ไงที่เรามาปฏิบัตินี่เราต้องการข้ามพ้นความเป็นคนเห็นไหมทีนี้กิเลสมันก็อ้างอยู่เรื่อยนะพราะกูฟังแล้วก็โอเคถ้ามันอไม่ไม่รุนแรงที่ทําให้เราอันตรายเพราะกูก็เฉย แต่ถ้ามันรุนแรงทำแล้วทำอีกไม่ยอมเลิกเนี่ยนะพ่อครูก็มีหน้าที่เตือนมีหน้าที่เตือนส่วนเตือนแล้วนี่ใครจะมีปัญญารับได้มากน้อยแค่ไหนก็อีกเรื่องหนึ่งตั้งมัน่นศรัทธาในสิ่งที่เราทำไม่ใช่ลังเลสงสัยเอาบ้างไม่เอาบ้างเนี่ย มันไม่ก้าวหน้าหรอกมันมันชักขเยอะน้ำครึ่งถังอันนี้ก็ครึ่งถังครึ่งถังพูดอะไรรู้หมดเลยอันนี้คนรู้มากไม่ใช่รู้จริงคนรู้จริงเขาต้องรู้ว่าอะไรก็ไม่ใช่มันไม่เกี่ยวกับวิธีมันเกี่ยวกับคนนั้นเอาจริงไหมและเป้าหมายที่เราปฏิบัตินี่ยอยู่ตรงไหนไม่ใช่ปฏิบัติเพื่อจะเป็นผู้วิเศษนะ ไม่ใช่ปฏิบัติเพื่อจะเหนือกว่าคนอื่นนะเอาสภาวะธรรมมาอวดอ้างกันพราะครูเคยเตือนบอกว่าไม่จำเป็นอย่าไปพูดสภาวะธรรมข้างในกันเสียเวลาทางพระเขาบอกหลีกเลี่ยงการอวดอุตริมนุษยธรรมเพราะสิ่งนั้นเราพูดออกมาแล้วเนี่ยเขาจะเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้แล้วรู้แล้วยังไง ลึกๆมันเป็นการโอ้อวดเราด้วยเราอยากจะแสดงว่าเราคันนั้นคันนี้กิเลสทั้งนั้นกิเลสทั้งนั้นนะสิ่งที่เราทำก็คือทานศีลภาวนานั่นแหละคือหน้าที่หลักเราไงแต่ตอนนี้เราไปลงในพ่อปีกย่อยอย่างนั้นอย่างนี้จุจิกจิกเนื่องจากเรามีอาหมิตร เ, ออเราทำแล้วเราได้ไงเราก็บอกว่ามันดี เราไม่เคยฟังครูบาอาจารย์หรือฟังพระพุทธเจ้าเลยว่าการให้ะดีที่สุดทานไงไม่ใช่การได้ไม่ใช่แม้กระทั่งการได้บุญเหนือคนอื่นการทำบุญสร้างฉากอันนั้นเสียเสียอโอกาสในการสร้างสุญยตาทานทําทานอย่ามีเงื่อนไข ถ้าไม่พร้อมอย่าทำไม่มีใครว่านะอย่าเป็นของกูของมึงอย่าแบ่งพวกนะมันเป็นอุปนิสัยมันเป็นจริตมันเป็นอะไรฝังแน่นถ้าเราไม่ฝืนมันจริงๆนี่เราไม่รู้กี่ชาติกี่ชาติเราก็ข้ามคนไม่ได้แล้วก็อ้างน่นอ้างนี้นะพกพรากูบางทีก็นั่งนิ่งๆมาดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วเราทำอะไรกันอยูนะ่อะ บางคนเข้ามาใช้ศูนย์นี่ปฏิบัติธรรมนะมาใช้ศูนย์ที่พักศูนย์อาหารศูนย์ห้องน้ําศูนย์อะไรศูนย์ที่ปฏิบัติศูนย์ก็เป็นทิ่งที่พ่อครูต้องการไนงะพอวันในวันหนึ่งนี่นิดหนึ่งไม่พอใจล่ะมันลืมหมดเลยอันนี้หยาบมากนะอันนี้หยาบมาก แค่กระตันยูก็ไม่มีแล้วเนี่ยอย่าเสียเวลาปฏิบัติไม่ต้องปฏิบัติออกไปลุยให้มันเละเลยมันเป็นกรรมหนักสิ่งดีๆก็มีเยอะแยะนะพอกิเลสมันหลอกนิดนึงก็อ้างโ น, น่นอ้างนี่นะพูะเจ้าตัดเรื่องนี้มากมากเลยนะเลยว่าเราไปกินข้าวเขาไม่ตั้งมือหนึ่งก็ช่างนะ สวัสมือนั่นเน่ยถ้าเกิดเราขาดเราตายเลยไหมมันหมายถึงชีวิตเราเลยนะนะพอกิเลสมันอ้างพุบลืมหมดเลยอันนี้หยาบมากแค่กระตันอยู่ก็ไม่มีนเพราะมันมีแต่จะเอาไงถ้าได้ฉันก็ดีใจพอฉันไม่ได้เสียอะไรนะแค่ไม่ได้ด่งใจจะเอาเยอะแต่ไม่ได้มาอันนี้ก็ลืมทั้งหมดเลยเนี่ยแล้วมันจะไปไหนเนาะ เราหลอกคนอื่นได้เราหลอกจิตเราไม่ได้นะหลอกจิตเราไม่ได้ทีนี้แต่ละแห่งแต่ละเวลาเนี่ยเหตุปัจจัยมันเปลี่ยนไม่ใช่ยึดมั่นถือมั่นฉันเคยทำแบบนี้ก็แบบนี้ทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงเราต้องรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงไงไม่งั้นเราจะไปเผลอสร้างกรรมใหม่หรือว่าเราจะไปเผลอพลาดพังเห็นไหมทุกคนต้องมีสติ อยู่ปัจจุบันปัจจุบันยอมรับหรือรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงเป็นไปตามเหตุและปัจจัยไม่ใช่ไปทำตามใจตัวเองไปยึดมั่นถือมั่นกับความเคยชินตัวเองแล้วเนี่ยนะทั้งทางว่าทางโลกทางธรรมก็ช่างไม่มีทันก้าวหน้าเพราะเราไม่รู้เท่าทันสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงยึดมั่นถือมั่นกับความคิดความเชื่อของตัวเองนะพราะครูบอกแล้วเรามีโอกาสชีวิตนี้มีโอกาส ได้มาเจอทางแล้วเนี่ยอย่าปล่อยให้เวลามันสูญเปล่าเดินถ้าเดินแล้วยังคิดว่าเออมันยังไม่แน่ใจเนี่ยการที่จะไปสแสวงหาที่อื่นเนี่ยไม่ใช่เรื่องผิดก็ตั้งหน้าตั้งตาไปทําจริงๆแต่ยังไม่ทํายังไม่รู้อะไรเลยอย่าเอามาเปรียบเทียบบางที่เปรียบเทียบโดยเจตนาหรือไม่เจตนาก็ช่าง เหมือนจะพูดให้คนไข้เขวมาทำลายสิ่งที่เราเคยอาศัยน่มันไม่ใช่สิ่งที่น่าทำมันเป็นบาปถามว่าศูนย์ทำอะไรผิดบ้างเข้าไหมไม่ใช่วิธีปฏิบตัติมันไม่วิธีไหนเช้าสายบ่ายเย็นน่ยมีหมดเลยยืนเดินนั่งนอนก็เหมือนมันเหมือนปฏิบัติทั่วไปส่วนยืนนั่งนนอนเราจะไปทำเหมือนใี่อื่นกำหนดอะไรก็ทำไปไม่มีใคร ว่าแล้วกลับไปที่พักเนี่ยเราจ ะ, จะเจริญแบบไหนก็จเจริญไปไม่มีใครว่าแต่เราอย่าไปว่าเขาจิตแต่และดวงเนี่ยต้องรู้เองว่าวิลานี้เราควรจะทำอะไรนะที่นี่กว้างมากแนวที่เราปฏิบัติเนี่ยมันไม่มีแนวตายตัวว่าต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้ จิตเราเองต้องฉลาดปรับมาใช้ปรับมาใช้นะแล้วก็อย่าไปเชื่อมั่นว่ามีสูตรใดสูตรหนึ่งวิธีใดวิธีหนึ่งแล้วเนี่ยนะแล้วทำให้ทุกคนบรรลุทำได้เหมือนกันไม่มีถ้ามีผู้เจ้าก็สอนอย่างเดียวก็พอเห็นไหมทำไมยกตัวอย่างเยอะแยะเลย ก็พระ อ, องค์รู้ไงพระ อ, องค์ไม่ติดบ่วงพระ อ, องค์ข้ามพ้นบ่วงทั้งหมดพระ อ, องค์ถึงรู้ว่าไม่มีวิธีใดวิธีหนึ่งที่ตายตัวว่าทุกคนบรรลุธรรมด้วยกันหมดแค่กรรมฐานสี่สิบก็ยกตัวอย่างสี่สิบกังกองกรรมฐานอันนี้ตัวอย่างบางตอนนะมันเยอะกว่านั้นแต่แค่ยกตัวอย่างสี่สิบเอาเอาไม่แค่อย่างเดียวอย่างชื่อจีจี้ไต้หวันนั่น เขาเอาพรมวิหารสี่ซึ่งอยู่เป็นส่วนหนึ่งของกรรมฐานเนี่ยแต่เขาทำจริงเมตตากรุณาไมเบียขาถ้าทำจริงจริงๆริเนี่ยมันสลัดนี่คือขัดเกลาจิตให้ผ่องใสนะไม่ใช่รู้ท่องจำเฉยเฉยเขาทำจริงๆเขาให้เห็นไมเขาขัดไปเรื่อยๆเขาเอาตัวนั้นจับตัวเดียวเขาก็ทำได้เห็นไม เมื่อเมื่อให้หแล้วไอ้ตัวหยาบยาบหมดแล้วเนี่ยทีนี้จิตมันมีปัญญาเดี๋ยวมันก็นดิฟเข้าไปเองไม่ใช่ไปติดที่รูปแบบนะต้อง o อ e n m i n มเปิดใจให้กว้างอย่ามีทิฏฐิมรณนะเดี๋ยวเราจะพลาดโอกาสไม่พลาดโอกาสไม่พอเดี๋ยวเราจะสร้างกรรมใหม่ซึ่งไม่สมควรอย่างยิ่ง กว่าเราจะสะสมพลังมาแล้วเนี่ยสร้างกรรมใหม่ปุ๊บเหมือนลูกโป่งกำลังเป่าดีๆเนี่ยถูกแทงปั้งระเบิดแล้วก็มานั่งเป่าใหม่อีกนะคำว่าแน่ใจเนี่ยเราเชื่อสิ่งใดเนี่ยเราต้องทุ่มเทไปปฏิบัติไปลองถูกลองผิดนะนักวิยาศาสตร์จริงๆเนี่ยเขายังไม่ด่วนสรุป เขาต้องเอาชีวิตเขาเนี่ยไปทดลองเลยเขาบอกว่าดีนะเขาต้องมาบอกคนอื่นว่าดีไม่ใช่แค่รู้เขาบอกเราอ่านหนังสือก็บอกว่าฉันรู้อันนั้นรู้ไม่จริงนี่แหละที่บอกว่ากล่าวอ้างถึงว่าชาวเยอรมันมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก่อนที่เขาจะมาที่นี่เขาศึกษาศูนย์หมดเลยเขายังอยู่ในประเทศซูเวลัยเนี่ยเขาต้องการเหตุและผลเนี่ยเขาจะไม่ยอมทําอะไรโง่งๆเขาบอกพระครู พิสูจน์ด้วยตัวพระครูเองเนี่ยอันดับแรกเขาเชื่อเรื่องนี้ก็พิสูจน์แล้วไงพระครูชัดเจนจนไม่ไม่กล้าเอาสามชั่วโมงมาดูทำมาสอนนะก็มันเห็นชัดเจนว่ามันไม่เหมือนกันทุกลวงจิตไม่เหมือนกันเห็นไมตอนนั้นเราเวียงเวๆๆงเวียงเวียงเวียงเวียงอย่างเดียว มันเป็นวิธีที่เร็วที่สุดที่เข้าไปในจิตถ้าเบียงอย่างเดียวถ้าใครยังเข้าไม่ได้อย่าเข้ามาบอกพระครูนะนะแต่ น, นิดเดียวก็เข้าไปแล้วแต่เข้าไปแล้วมันเป็นหลงที่นูนเอาไหมเพราะมันไม่มีฐานเข้าไปเร็วๆก็ไปหลงๆๆนั่นถ้าคนไม่คนรุ่นเก่าๆเห็นไหมเราวิ่งแต่ไล่ตะคุบกันน่ะมันเร็วเกินไปมันไม่มีฐานไง เห็นแล้วสังคมมันเปลี่ยนเอาแค่เราเวียงเวียงเนี่ยให้รัฐที่อะไรเห็นไมการให้เนี่ยเราก็ต้องมามาพิจารณาว่าเออเราจะนำเสนออย่างไรที่เขาพอรับได้เ่็นไหมเมื่อกวัวไปบรรยายพระกวูรู้โลกข้างนอกมันเปลี่ยนเป็นยังไงคนเราเกิดวิตกจริตยึดมั่นถือมั่นกับไอ้รูปแบบวิธีแล้วก็พอเข้าไปในจิตตอนนั้นบอกเวียงทิ้งเวียงทิ้งเวียงทิ้ง ก็ไม่เวียงไงมันสนุกดีไงมันยิ่งใหญ่ไงนักเก็งเนี่ติดจี้คงอยู่เจ็ดแปดปีบอกเวี้ยงทิ้งเวียงทิ้งก็เวียงทิ้งไม่ได้เรื่องอะไรเวียงสนุกดีนะจิ้มใครึงหนึ่งดิ้นเลยแล้วเร า, เาตัวนี้ไปให้ข้างนอกเขาทำเนี่เขารับได้ไหมล่ะไม่รู้ละทีอะไรเมื่อเหตุปัจจัยมันเปลี่ยนพระครูยอมเปลี่ยน ถ้าพูดถึงเรื่องเทคนิควิธีการเนี่ยเราก็ปรับเปลี่ยนให้มันทันยุคทันสมัยทันกับคนรุ่นเวลานี้เขายอมรับได้ไม่ใช่ไปยึดมัน่นถือมั่นอย่างสายวัดป่าสมออย่างนี้นะไม่ใช่ผิดนะครูบาอาจารย์พวกครูก็วัดป่านั่นแหละแต่วิชานั้นต้องอยู่ป่าแต่ดีถามว่ามีป่าให้อยู่ไหมป่าที่ไหนก็ช่างไงมือถือมันเข้าไปได้หมดแล้วครื่มันเข้าไปหมดแล้วเห็นไหมล่ะ วัดป่านั้นเขาไปเรื่อยๆสะสมพลังไปเรื่อยๆก็เป็นเทคนิคนึงแต่เทคนิคนั้นน่ะไม่ใช่กับคนในเมืองตอนนี้ได้ไหมอย่าว่าแตในเมืองคนบนนอกเดี๋ยบนนอกตอนนี้มันมีมือถือหมดลวมันลิงก์หมดแล้วเนี่ยพลังมันไม่พอแม้กระทั่งเราไปอยู่ในป่าตอนนี้แต่ขึ้นที่เราหายใจเข้าออกเนี่ยมันรบกวนตลอดเวลานะ ผู้เจ้าบอกอย่าเพิ่งเชื่อที่ทำตามตามกันมาพระอง์ไม่ได้บอกว่าสิ่งนั้นไม่ดีแต่สิ่งนั้นมันไม่ทันสมัยมันไม่ทันกับเหตุปัจจัยมันเปลี่ยนการศึกษาฝึกจิตเนี่ยบกต้องมีปัญญาทุกคนก็อย่างมีปัญญาแต่มันยังไม่มีไงแต่ถ้ายังไม่มีต้องสำรวมระวังก่อนจะคิดอะไรเชื่ออะไรก่อนจะพูดอะไรเนี่ย ก็ต้องสำรวมระวังอย่าสร้างกรรมใหม่อย่าสร้างกรรมใหม่ตัวเองเขวไม่พอจะทำให้คนอื่นเขวด้วยมันเป็นกรรมนะคนอื่นเขาก็แสวงหาอยู่แต่ถ้าเรายังไม่แตกฉานจริงๆเนี่ยอย่านำเสนอไม่ใช่เรื่องทำเล่นไปชี้ทางผิดให้เขาเนี่ยเขาเสียชาติเกิดทั้งชาติ ไม่ใช่เรื่องสนุกแต่ถ้าเรามั่นใจว่าเออเรารู้หรือว่าเรายอมรับตัวเองว่าเออตัวเองยังไม่ได้ไงก็มุ่งมั่นทำไปเรื่อยๆหรือเรียกการพูดการวิจารณ์มันโอกาสพลาดมีเยอะนะไม่กระทั่งเราเข้าไปในจิตได้แล้วก็ช่างเห็นก็เหวียมทิ้งไงตอนนี้ไม่เหวียงทิ้ง เอามาพูดอวดกันอีกมันไม่ใชทางคนทุกน ะ, นะมันจะทําให้สับสนวุ่นวายนะคนที่เข้าไปได้แล้วก็อย่าไปติดเดินต่อไปเรื่อยๆคนที่ยังเข้าไปไม่ได้ก็อย่าไปติดความอยากเข้าไปบางคนไม่ต้องเข้าไปเลยเนี่ยเห็นไหมฟังทำทีนึงก็มรรู้ทาได้แล้ว แต่ขอให้เราตั้งมั่นทำต่อไปจดิตเรามันไม่เหมือนกันนะจิตเรามันรู้แล้วก็ทำต่อไปสะสมแต้มไปเรื่อยๆพอถึงเวลาหนึ่งเวลาที่มันพอเพียงแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็จัดการเองเนี่ยต้องตั้งมั่นศรัทธามันไม่ได้อยู่ที่วิธีการวิธีการเป็นแค่เทคนิคเป็นแค่อุบายเล็กๆนะหลักการคือว่าเราจริงไหม ทำดีเราทำดีแค่ไหนทำดีหรือยังเราละชั่วหรือยังหรือแอ บ, บทำชั่วกันนะมีแต่ดีพูดดีแต่พูดนะแต่ดีไม่ทำถ้าเราทำดีละชั่วแล้วก็ขัดเกลาจิตให้ผ่องใสไปเรื่อยๆส่วนมันจะถึงเมื่อไหร่ขนาดถึงแล้วผู้เจ้าถึงแล้ววันวิสาขาบูชา เจ้าชายสิทธัตถะตัดสรุปรำเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วพวุ่งจบแล้วอยู่เหนือบุญบาปแล้วไม่ต้องสร้างบรารมีอีกแล้วพวุ่งยังอยู่ในมรรคในทางแต่ไม่ต้องเจริญมรรคแต่เวลาที่เหลือก็อยู่ในมรรคในทางยังสร้างศาสนาขึ้นมาเผยแผ่โปรดสัตว์โลกอีกสี่สิบห้าพันศาแล้วเราจะรีบไปไหนจบอยู่เร็วจะเป็นไง ก็อยู่ในมาร์กในทางเริ่มจากเราต้องเจริญมารกก่อนนะเมื่อเราจบแล้วเวลาที่เหลือไม่ต้องเจริญมาร์กแต่อยู่ในมัรกในทางพฤติกรรมาทั้งหมดมันเป็นมัรกจนวินาทีที่เราละสังขารมันไม่หายใจลรวก็จบจะรีบไปไหน อยากรู้อะไรเหรออยากได้อะไรเหรอมันไม่มีอะไรรู้ไม่มีอะไรได้มันเป็นอนัตตามันไม่ใช่สักอย่างหนึ่งถ้าเราไม่ฝืนกิเลสตัวเองหน่อยหนึ่งนะเราไม่ก้าวหน้าไม่พอเราจะสร้างมโนกรรมวจีกรรมทุกวันบางทีกายกรรมด้วยโดยเฉพาะมาทาในศูนย์ เราสะสมพลังบริสุทธิ์มายาวนานเหมือนเจ้าหน้าที่บ้านเมืองคนถือกฎหมายแล้วทำผิดกฎหมายใสเองแหะเหมือนเราเป็นผู้รู้แล้วแล้วยังไปทำผิดเนี่ยะมันหนักหนาสาหัสกว่าคนที่เขาไม่รู้เรื่องนี้ก็ว่างๆก็เอามาพิจารณาเรื่องนี้ดูกิเลสตัวเองหน่อยหนึ่งไม่ใช่ไปสนองมัน ถ้าเราฝืนมันฝืนมันฝืนมันสักวันหนึ่งฝืนปุ๊บเรามีกําลังฝืนมันมีกําลังเห็นไหมเหมือนเราแบกอะไรไม่ขึ้นเนี่เราก็พยายามพยายามพยายามเราก็แบกได้สักวันหนึ่งแต่เฮ้ยแบกไม่ได้หรอกก็จบเลยแล้วเมื่อไหร่มันจะแบกได้ไอการฝืนกิเลสตัวเองก็คือการแบกเราต้องฝืนมันต้องมีต้องใช้พลังเมื่อเราฝืนบ่อยๆเราก็แข็งแรงไง กิเลสก็อยู่ส่วนมันก็หลอกเราไม่ได้การปฏิบัติธรรมคือการกระทำตามธรรมชาติไม่เนื่องด้วยกิเลสทุกวันนี้เราทำตามธรรมชาติของกิเลสมันถึงไม่ก้าวหน้ามันถึงไม่พ้นทุกข์เรามาฝืนมันไงเรามาฝืนมันข้างนอกก็ฝืนพฤติกรรมข้างนอกก็ฝืนมันอยากได้ไม่เอาข้างในก็ฝืน อารมณ์ดีก็ฝืนอารมณ์ไม่ดีก็ฝืนไม่ใช่อารมณ์ดีชอบชอบไปก่อนมันไว้อันนั้นติดที่บกติดสุขในชาแนนั่นแหละนะดีก็ต้องฝืนมันผ่านความยึดมัน่นถือมั่นความดีนั้นไม่ดีก็ผ่านต้องฝืนเมื่อเราฝืนบ่อยๆเราก็แข็งแรงไงแล้วต่อไปอะไรจะหลอกเราได้นะก็ วันนี้พระครูก็รวมยอดก็รวมยอดเมื่อวานนะที่จริงแล้ววันสำคัญทางศาสนาเนี่ยพระครูไม่เคยละเลยนะเป็นว่าช่วงนี้มันกิจกรรมอะไรก็เยอะแยะเลยนะทุกคนไม่รู้หรอกวันนึงวันนึงพระครูทำอะไรบ้างนะก็แบ่งพันเวลานะพระครูใครไม่รู้ก็ช่างก็พระครูตอบโจทย์จิตพระครูได้พอละถ้าเราไม่สร้างศรัทธาแล้วเนี่ยนะมันจะเกิดความลังเลสงสัย ทุกคนก็มีลังเลสงสัยพอหายสงสัยเรื่องนี้แล้วมันก็สงสัยเรื่องอื่นเพราะเพราะเชื้อสงสัยมันยังอยู่ไม่ใช่แก้ที่หายสงสัยแก้ที่ไม่สงสัยแต่ถ้ายังมีเชื้อสงสัยอยู่เราพูดจนตายมันก็สงสัยอีกทีนี้ไอ้สงสัยนี่ต้องดับด้วยศรัทธาดับด้วยศรัทธาแต่ถ้าศรัทธาเราไม่เต็มเปี่ยม บางคนบอกก็ศรัทธาไงถึงมาไม่ศรัทธามายได้ยังไงเธอศรัทธาห้าสิบเปอร์ซแต่ขี้สงสัยมันหกสิบอ่ะต้องเพิ่มศรัทธาให้เต็มร้อยแล้วขี้สงสัยมันก็หลอกเขาไม่ได้เห็นไหมผู้เจ้าทำไมเริ่มต้นจากศรัทธาก่อนถ้าเราไม่ศรัทธาเราทำอะไรก็หยอกๆยอกยากอากล้ากลัวกลัวเบื่อเบื่ออยา ก, ยาก ลังเล ส, สงสัยอย่างนั่นแหละแล้วมันจะเกิดพลังได้ยังไงศรัทธาต้องเป็นมาก่อนแล้วมันมีอยู่แล้วไม่พอนะต้องสร้างให้มันมากขึ้นไม่ต้องศรัทธาพราะครูศรัทธาในสิ่งที่เราดำเนินอันนี้อันนี้ก็เอาส0นี่ส0 10% 10% นสบ็ตน้ำครึ่งถังแล้วมันจะมีพลังไง เราสู้สึกหลายด้านนะเอาเอาเอ า, เอาเวลาเราไปวิจัยดังนั้นเรื่องนี้อันนี้ก็ไม่เต็มนี้ก็ไม่เต็มนี้ก็ไม่เต็มทำไปทามามั่วหมดเลยที่คนมันเป็นบ้าก็เพราะอย่างนี้ไงแค่เรื่องเดียวก็แตกฉานไม่ได้แล้วยังจะเอาหลายเรื่องอยู่เราคิดว่าเราเก่งนะไปไม่รอดไปไม่รอดเอาทีละอย่าง ถ้าอย่างนี้เอาจนสุดแล้วยังคิดว่าโอเคเบกไว้ก่อนฉันจะไปเอาอย่างอื่นก็เอาเอาจริงๆไม่ใช่ระหว่างนี้จะผสมนวลผสมนี่นะนั่นแหละเขาเรียกว่ามันไม่ใช่วิปัสนามันพยายามจะไปสร้างปฏิมากรรมอะไรใหม่ๆนะเพื่อมาอวดอ้างว่าฉันรู้ ถ้าจิตรู้จริงแล้วมันไม่ต้องการรู้อะไรทั้งนั้นไอ้แค่ทาอยู่มันก็ยังไม่หมดแล้วถ้ามันรู้จริงมันต้องรู้ว่าอะไรก็ไม่ใช่ไงแต่เราไปติดที่เทคนิคยุคนี้เราแสวงหาวิธีทั้งหมดล่ะวิธีอะไรที่เหนือกว่าคนอื่นวิธีอะไรที่จะมาโอกอวดกันได้วิธีที่แสดงอภินยาเพื่อจะได้ลาบยศเสน่ห์บางคนลาบไม่เอานะ ต้องการให้เขาสรรเสริญยืนยอนะภูมิใจก็กิเลสทั้งนั้นน่ะเนาะนะทำเพราะทำไม่มีเงื่อนไขอะไรทั้งนั้นทําเพราะทำธรรมะคือหน้าที่หน้าที่คือธรรมะทานศีลภาวนาคือหน้าที่เราก็นะให้มุ่งมั่นศรนะัทธา มีฉันทะกับสิ่งที่เราทำมีวิริยะจิตตะคือตั้งมั่นไม่วอกแวกตอนนี้ความเบื่อเราความอยากเราทำให้จิตตะคอนแคนบิมังษาไม่มีวันเกิดถ้าเราเราจริงๆแล้วนี่เดี๋ยวมันก็แตกฉานมาทุกวันทุกวัน แต่บางครั้งเราไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงลว่าเราไอ้ตัวอยากของเราเมันกบเกินไม่หมดเลยไอ้ตัวอยากสร้างความลังเลสงสัยกบเกินกับมาฐานของตัวเองโอเคนะก็ปฏิบัติกันดีกว่านะก็สุดท้ายนี้ก็ขอรัตนาคุณพระศรีรัตนาตยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในส า, นากลจักรวาลพร้อมทั้งบุญบา ร, รมีที่ได้ร่วมกันประพฤติปฏิบัติมา